ตอนที่9คุณสมบัติของผู้ที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นในตอนท้ายของเรื่องอำนาจจิตตอนที่8และความจริงเรื่องสัจจะอธิษฐานซึ่งได้เขียนไว้ในตอนก่อนๆจะถือว่าเป็นการขยายความตอนหนึ่งของเรื่องอำนาจจิตก็ได้เพราะคนที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้จริงๆนั้นจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องสัจจะอธิษฐานมั่นคงด้วย ส่วนในเรื่องวิสาขาบูชาซึ่งส่วนใหญ่ได้ชี้ให้เห็นว่าการที่พระพุทธเจ้าพอประสูตรมาได้ไม่กี่วันทั้งโขนทั้งพระฤาษีอสิฏดาบทก็ได้ทำนายตรงกันว่าต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นความสำเร็จของพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวหากแต่ขึ้นอยู่กับบุญวรารมี ที่พระองค์ได้สะสมมาในอดีตมากที่สุดซึ่งก็เท่ากับเป็นการชี้ให้เห็นว่าคนที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นนั้นจะต้องอาศัยคุณสมบัติของจิตที่ได้สะสมมาจากในอดีตชาติด้วยฉะนั้นคนที่ต้องการจะฝึกเพื่อให้มีอำนาจจิตเหนือคนอื่นนั้นจึงปรากฏว่าไม่ใช่ทำได้สำเร็จทุกคนคนที่มีอำนาจจิตเหนือคนอื่น คือสามารถพูดหรือสั่งให้คนอื่นทำตามความต้องการได้เสมอน้นอย่าลืมว่าโดยปกติอำนาจจิตนี้เราก็มีด้วยกันทุกคนเป็นแต่บางคนมีน้อยมากใช้ได้ในขอบเขตจากัดมากแต่บางคนก็มีมากข้อเทจจริงในลักษณะนี้เราต้องพยายามสังเกตเอาไว้ด้วยอย่างน้อยก็ขอให้สังเกตว่า การที่คนอื่นเขายอมทำตามความต้องการของเรานั้นเป็นเพราะเขาศรัทธาเขารักเขาเครพบนับถือหรือเป็นเพราะเขาเกรงกลัวหรือเป็นเพราะเขาเคยเชื่อฟังกันมาก่อนหลักอันเป็นพื้นฐานเหล่านี้เราจะลืมไม่ได้เพราะคนที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้จริงๆนั้นโดยปกติก็ต้องอาศัยพื้นฐานที่ว่านี้ทั้งนั้น ไม่ว่าการจะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นนั้นจะอยู่ในระดับไหนแม้กระทั่งในกรณีที่พระพุทธเจ้าทรงสา ม, มารถสะกดจิตนายขมังธนูไม่ให้ยิงพระองค์หรือสะกดจิตช้างนาลาคีรีที่กำลังตกมันซึ่งวิ่งแปรนมาจะแทงพระองค์แต่แล้วก็ทำไม่ได้ก็อาศัยพื้นฐานดังที่กล่าวมานี้ด้วยเช่น ถ้าพระองค์มีเมตตาบารมีไม่พอก็อไม่อาจจะส่งกระแสจิตไปสัมผัสให้ช้างเกิดความรู้สึกเมตตาในพระพุทธองค์ได้คนที่เคยเป็นนักรบที่เก่งกล้าในอดีตชาติมามากเคยบังคับบัญชาทหารในกองทัพให้สู้รบกับข้าศึกได้สาเร็จนั้นพลังจิตทีส่สะสมไว้ในสันดานย่อมจะมีผลมาถึงในปัจจุบันนี้ด้วย ฉะนั้นคนที่หวังจะฝึกเพื่อให้มีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้สําเร็จนั้นจะไปมุ่งฝึกแต่สมาธิอย่างเดียวหรือฝึกให้เป็นคนกล้าอย่างเดียวหรือฝึกให้เป็นคนทําอะไรทําจริงๆเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สําเร็จแ น, น่อย่าลืมว่าจิตก็มีกฎเกณฑ์ของมันเหมือนวัตถุทั่วๆไปฉะนั้นจะฝึกจิตให้มีอำนาจจิตเหนือคนอื่น จึงต้องทำตามกฎเป็นไปตามกฎเหมือนเราจะสร้างเครื่องจักรทุกอย่างต้องทำไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุคนที่ไม่รู้กฎเกณฑ์ของวัตถุซึ่งเป็นกฎธรรมชาติย่อมจะทำอะไรให้สำเร็จตามความต้องการไม่ได้ยิ่งเป็นกฎเกณฑ์ทางจิตด้วยแล้วต้องศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนจริง เพราะกฎเกณฑ์ทางนามธรรมานั้นละเอียดลึกซึ้งเข้าใจยากมองเห็นได้ยากกว่ากฎเกณฑ์ทางวัตถุหลายเท่าอันหนึ่งการมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นเพราะอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทกล่าวคือหนึ่งมีอำนาจจิตเพียงชั่วคราวสองมีอำนาจจิตถาวรการสะกดจิตหรือการใช้อำนาจเวทมนตร์คาถา หรือการมีศิลปะรู้จักเลือกใช้วิธีการจูงใจให้ถูกกับจังหวะจิตใจของผู้ที่ต้องการจะจูงแต่คุณค่าประโยชน์หรือความจริงในสิ่งที่ตัวเองสั่งให้คนอื่นทำนั้นไม่มีในกรณีเช่นนี้การมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นก็เป็นเพียงชั่วคราวอาจใช้ได้เพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นต่อไปก็ไม่ได้ผล ส่วนการมีอำนาจจิตเหนือคนชนิดที่เป็นการถาวร น, นั้นคําสั่งหรือความต้องการที่ตัวเองแสดงออกเพื่อให้คนอื่นทำตามนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และเป็นความจริงด้วยเพราะต่อไปเขาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราสั่งให้เขาทำไม่เป็นความจริงหรือไม่มีประโยชน์อะไร มีหน้ำซ้ำยังเป็นการหลอกลวงให้เขาได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนด้วยในกรณีเช่นนี้ต่อไปก็ไม่อาจจะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้แม้แต่ในกรณีของพวกพ่อมดหมอผีซึ่งมีอำนาจจิตสูงมากและมักจะใช้อำนาจจิตไม่ได้ทางทุจริตหรือในทางชั่วเพื่อสนองตัญหาของตนก็อย่าหวังว่า จะใช้ได้ผลกับคนทุกคนคนที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องเป็นคนที่มีภาวะทางจิตใจบางอย่างต่ำตกเป็นทาสบางสิ่งบางอย่างพวกเหล่านี้จึงจะใช้เล่ห์ทางอำนาจจิตครอบงาได้และอีกประการหนึ่งที่จะต้องจําเอาไว้ก็คือแม้ในกรณีของการใช้อำนาจจิตจูงใจคนอื่นซึ่งเป็นไปในทางที่ดีนั้น ก็อย่าลืมว่าแม้คนที่เก่งที่สุดก็ทำไม่ได้สำเร็จกับคนทุกคนเช่นพระพุทธเจ้าถึงแม้พระองค์จะได้ชื่อว่ามีอานาจจิตสูงที่สุดสามารถกลับใจคนได้เก่งที่สุดแต่ถึงกระ น, นั้นพระองค์ก็ไม่อาจจะสอนใครๆให้ได้บรรลุมรรคผลหรือให้เขาเลิกประพฤติชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ หรือให้ใครต่อใครทำตามพระประสงค์ของพระองค์ได้ทุกอย่างตัวอย่างเช่นพระองคุริมานพระองค์ทรงกลับใจท่านได้ก็พระพระองคุริมานมีพื้นฐานที่ดีทางจิตใจหลายอย่างที่พระองค์จะสอนได้ขอให้สังเกตว่าถ้าหากครั้งแรกพระองค์ไม่ได้ทรงใช้อำนาจจิตบังคับให้องคุริมานวิ่งไล่ตามพระองค์ไม่ทัน ก็คงไม่สามารถทําให้องคคริมาทิ้งดาบแล้วเข้ามากราบเท้าพระองค์และการต่อมาการที่พระองค์ทรงใช้อำนาจจิตจูงใจสอนพระองคคริมาจนได้สำเร็จเป็นพระราหาน้นก็อย่าลืมว่าเป็นเพราะพระองคคริมามีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีหลายอย่างพระองค์จึงทรงสามารถกลับใจ จงใจพระองคุริมานให้เลิกจากการฆ่าคนและการทำบาปอย่างอื่นทุกอย่างได้อย่างเด็ดขาดการสอนของพระพุทธองค์นั้นโดยปกติทรงใช้อำนาจจิตทุกครั้งเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าเมื่อเราฝึกฝนจนมีอำนาจจิตกล้าแข็งแล้วก็สามารถจะมีอำนาจจิตเหนือใครๆได้นักสะกดจิตที่นับว่าเก่งที่สุด ก็ไม่อาจจะสะกดจิตใครๆได้ทุกคนหรือคนที่มีอำนาจจิตกล้าแข็งมากเช่นรัสปูตินซึ่งสามารถดื่มยาพิษได้โดยไม่มีอันตรายแต่ในที่สุดตัวเองก็ต้องตายเพราะถูกกระสุนปืนคนที่มีเครื่องรางของขลังหรือมีคาถาอาคมที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเคยอยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออก ฟันไม่เข้าอะไรทำนองนี้แต่แล้วในที่สุดก็ต้องตายเพราะอาวุธก็มีไม่น้อยเหมือนกันข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้เราจะต้องนำมาพิจารณาด้วยจึงจะทำให้เราเข้าใจถึงขอบเขตของอำนาจจิตว่ามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่ามีคนไม่น้อยเหมือนกัน ทั้งที่เป็นคนมีความรู้ความสามารถมีอำนาจบังคับบัญชาคนอื่นได้แต่กลับบังคับใครไม่ค่อยได้สั่งใครให้ทาอะไรก็ไม่ค่อยมีใครปฏิบัติตามพูดอะไรคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อทั้งนี้เป็นเพราะอะไรซึ่งตัวอย่างในธํานองนี้เคยอธิบายมาแล้วฉะนั้นจะไปถือว่าเราเป็นคนเก่งเป็นเจ้านายเขา เป็นคนมีอำนาจเหนือเขาจะสั่งให้ใครทำอะไรก็ได้เพียงแต่ความเก่งความรู้ความสามารถหรือเพียงแค่การมีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าคนอื่นแล้วจะต้องมีอำนาจเหนือคนอื่นเสมอไปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนี้จึงจำเป็นจะต้องศึกษาให้รู้ว่าการที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้จริงๆนั้น จะต้ปฏิบัติอย่างไรบ้างอันหนึง่งเพื่อเป็นการทบทวนถึงหลักเกณฑ์ที่สําคัญในการมีอํานาจจิตเหนือคนอื่นจึงใคร่ที่จะขอชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าสื่อในการที่จะใช้อํานาจ จ, จิตเหนือคนอื่นนั้นก็คือการใช้คําพูดการใช้สายตาการแสดงกิริยาการทางร่างกาย ซึ่งรวมท้งบุคลิกลักษณะที่มีมาตั้งแต่กำเนิดด้วยส่วนการใช้อานาจจิตล้วนๆโดยการส่งกระแส จ, จิตไปบังคับนั้นก็อาจจะทำได้แต่ต้องเป็นคนที่มีอานาจจิตสูงจริงๆแต่ถึงกระนั้นก็อย่าไปหวังว่าจะได้ผลทุกครั้งและก็มีน้อยคนมากที่จะทำได้อย่าลืมว่า โดยปกติคนเราย่อมมีกระแสจิตออกจากตัวเองเสมอซึ่งกระแสจิตนี้อาจจะไปสัมผัสกับกระแสจิตของคนอื่นได้และคนที่ได้รับนั้นบางทีเขาก็รู้สึกบางทีก็ไม่รู้สึกแต่ส่วนมากมักจะไม่รู้สึกเสียมากกว่าฉะนั้นการใช้อำนาจจิตล้วนๆจึงไม่ค่อยได้ผล ทั้งๆ ท, ที่คนที่ใช้มีกระแสะจิตแรงกล้าก็ตามคนที่จะใช้กระแสะจิตไปยังคนอื่นให้ได้ผลจะต้องรู้จังหวะที่คนคนนั้นจะรับได้ง่ายตอนไหนเวลาไหนด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ของง่ายนักที่จะทำให้คนอื่นเปิดช่องว่างรับกระแสะจิตจากตนได้เมื่อได้ทราบหลักเกณฑ์โดยทั่วๆไปอย่างนี้แล้วมาคราวนี้ ก็ควรจะทำความเข้าใจให้กระจายเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของผู้ที่มีอหนาจจิตเหนือคนอื่นซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือสมาธิเพราะสมาธิเป็นตัวการโดยตรงที่จะทำให้คุณสมบัติต่างๆของจิตในอันที่จะจูงใจคนอื่นให้เข้มแข็งและมีกระแสพุ่งไปแรงและไปได้ไกลตัวอย่างเช่น คนบางคนมีความรู้ความสามารถเพียงพอในอันที่จะจูงใจคนอื่นให้เชื่อฟังและทําตามแต่เพราะเป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิในการพูดหรือในการแสดงออกเลยทําให้คนอื่นไม่ค่อยจะเชื่อและทําตามคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองก็ดีหรือคนที่มีนิสัยโรเลจับจด หรือเป็นคนที่ขี้ระแวงสงสยัยเป็นคนขี้ขลาดขี้วิตกกังวลหรือเป็นคนชอบพูดเล่นทำอะไรเล่นๆไปเกือบทุกอย่างเป็นคนมีนิสัยชอบพูดโกหกอะไรทํานองนี้แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าเป็นคนขาดกําลังสมาธิอย่างมากคนประเภทนี้ยากที่จะมีอํานาจจิตเหนือคนอื่นได้ คนที่เป็นโจรหรือเป็นไอเสือที่ใจเหี้ยมแต่เป็นคนที่ทำอะไรทำจริงถือสัตรูมั่นคงและมีคุณธรรมอย่างอื่นบางอย่างเข้มข้นเช่นเป็นคนมีความกระตันอยู่มีความเป็นธรรมในหมู่ลูกน้องของตนเป็นคนนับถือพระเป็นคนมีความเด็ดขาดกล้าหาญไม่กลัวตายคนประเภทนี้ ก็มีอำนาจจิตเหนือคนอื่นเหมือนกันแล้วจงศึกษาดูว่าทำไมเขาจะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้ส่วนบางคนซึ่งเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถแต่ก็ไม่ค่อยจะมีอำนาจเหนือคนอื่นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้าเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ดีก็จะรู้จักฝึกฝนตนเองให้มีพลังจิตเพิ่มขึ้นได้เรื่อย จนกระทั่งในที่สุดก็สามารถมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นมากมายขนาดเป็นผู้นำคนทั้งประเทศได้แต่อย่างไรก็ดีคนในสมัยปัจจุบันมักจะเข้าใจกันอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือคนไหนถ้ามีเงินมากด้วยอำนาจเงินย่อมทาให้เขามีอานาจจิตเหนือคนอื่นได้ ซึ่งจะมากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนของเงินซึ่งความเป็นจริงถ้าเขาจะเป็นคนมีที่พลยิ่งใหญ่จริงก็ไม่ใช่เดิมนาจของเงินเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เขามีอำนาจจิตเหนือคนอื่นเราจะต้องมองเข้าไปให้ซึ้งถึงคุณสมบัติภายในจิตใจของคนประเภทนี้ด้วยคนที่หาเงินได้เก่งและหาได้มาก ด้วยความสามารถของตนจริงๆนั้นความเป็นจริงเขาเป็นคนมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นมาก่อนแล้วด้วยคุณสมบัติทางจิตใจของเขาเองไม่เช่นนั้นเขาจะเป็นคนมีเงินมากขึ้นมาไม่ได้ท้าคนที่หาเงินได้มากนั้นจะต้องมีคนช่วยหาให้ช่วยทำงานให้และคนที่ช่วยนี้ จะต้องมีความรักความซื่อสัตย์มีความเคารพนับถือต่อบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการไม่เช่นนั้นเขาจะไม่มีทางร่ำรวยขึ้นมาได้เองเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าหลักใหญ่ของการมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นนานก็คือจะต้องเป็นคนมีลักษณะทางจิตใจเหมาะสมในเรื่องนี้จริงๆ การมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งของภายนอกโดยตรงซึ่งเรื่องนี้จะมีอธิบายต่อไปอีก